ความสกรปรกรกลุงมลังเกิดขึ้นแน่ในชุมชนกลุ่นคนกลุ่มใหญ่แต่เมื่อวานทราบวางน้ํำของเราไม่มีปัญหานับว่าสบายใจได้ในระดับหนึ่งเราไม่ต้องคิดปรับปรุงแก้ไขเรื่องน้ําแต่ส่วนอื่นก็คนกลุ่มใหญ่เราจะให้ร่าพรื่นทุกอย่างก็คงเป็นไปไม่ได้จะให้ถูกใจทุกคนก็คงเป็นอย่างนั้นไม่ได้อีกเหมือนกัน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 เหมืเราไปประเทศอื่นเขาเราก็ต้องเคารพกฎกติกาของประเทศอื่นที่เขามีกติกาอย่างไรเมื่อเขามาหารเราเราก็ต้องมีกฎกติกาเขาก็ต้องมีกฎกติกาเราก็ต้องมีกฎกติกาวัดของเราเนี่ยถ้าเราไปอยู่แล้วไปหรือเขาเราเขามาหรือเราไปหรือเราอยู่ х? มันก็ล้วนแล้วจะเป็น ม, มีกฎกติกา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 ถ้าว่าไม่มีทรรมคำว่าอุเปกขาเนี่ยหลวงพ่อว่าคนเรานะ่คงจะเส้นเลือดแตกในสมองวันละหลายร้อยคนอยู่หลวงพ่อว่านะพาะไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางฮะคงจะคิดๆไปแล้วก็บเลือดเส้นเลือดแตกเพราะไม่ได้อย่างใจใช่ไหมเมตตาแล้วก็แล้วมุทิตาแล้วก่นแล้วเมตตากรุณามุทิตาแลวก็แล้ว ยังไม่ได้อย่างใจกลุ่มอกกลุ่มใจเลยเธอเนีพอกลุ่มอกกลุ่มใจเธเนี่ยคือคิดหนักคือเส้นเลือดแตกเธเนี่ยนี่แหละหลวงพ่อว่านะถ้ามีทำอุเบกขาในใจจะอย่างที่พระพุทธเจ้าวางไว้อุเบกขาวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงคราววิบัตินี่แหละทำคำําสอนของพระพุทธเจ้าเอมี